ตันสาธุชนบุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารถเรื่องราวในหนังสือประวัติของพ่อปานต่อเป็นอนวุวาวังก่อนไปซ้มกับบังก่อนโน้นเอิอบเต็มหน้าเลยมานิดเดียวเป็นว่าตอนนี้ก็มาต่อเลยว่าตอนนั้นก็สงสัย ว่าคนสี่คนเนี่ยเราถามเขาว่าไปไหนกันแต่แกก็เปิดบัญชีบอกว่าชื่อไม่มีในบัญชีไอ้เรื่องนี้จะมาบอกแล้วว่าตั้งแต่เป็นเด็กมีนิสัยว่าถ้าอะไรก็ตามถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงได้จะยอมละไม่ได้เด็กขาดต้องพยายามรู้ให้ได้ในเมื่อเขาไม่รู้ เราก็ต้องรู้เป็นวิสัยเดิมนี่เป็นวิสัยนักค้นควาการค้นคว้าแบบนี้มีมาตั้งแต่เด็กฉะนั้นกายเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่บวชตามประเพณีเพราะว่าสงสัยว่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเทวดามีจริงผีมีจริงพร ม, มีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริง แต่ว่าการก่อนบวชการไปในรกไปได้เป็นปกติเพราะหลังจากการตายนี้เสร็จฟื้นคืนมาก็ไปเที่ยวนรกได้จุดที่มีความสงสัยก็คือว่าสวรรค์และเทวดานางฟ้าสวยขนาดไหนไม่รู้พรหมเป็นยังไงไม่รู้เปรตอสุรกายเป็นยังไงไม่รู้รู้ได้อย่างเดียวคือสัตว์นรกและขุมนรก นี่ช่วงสงสัยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการบวชจริงตั้งใจว่าจะบวชมาเพื่อค้นคว้าคําสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจะต้องหาสวรรค์ให้พบจะต้องหาพรหมโลกให้พบถ้าภายในสามเดือนบวชอย่างเอาจริงไม่พบก็อย่าถือว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนานเต็มในความหลอกลวง เราก็ไม่ต้องการคบพระพุทธศาสนาต่อไปอันนี้นิสัยนี้มันเป็นนิสัยเดิมบรรดาญาโยมพุทธบริษัทคําว่านิสัยนี้แก้ไม่ได้แต่ก็เป็นคุณใหญ่ที่ไม่ใช่ดีแต่อันกระดาษที่เป็นเสือเบลานเปล่าอย่างท่านสุธรรมเถรไม่ได้เป็นพระรหรันท่านสุธรรมเถรนั้นถ้าไม่ได้เป็นพระรหรันแต่ว่าท่านทรงพระไตรปิฎก ตอนนั้นท่านก็ทรงทรงท่านลงตนว่าท่านเองเน่ดีกว่าพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเสียอีกเพราะว่าท่านเป็นผู้ทรงพระไรตรวิฎกถ้าได้ว่าไอความสามารถก็สู้ไม่สู้อาาหารนภสดาบันก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้ยังไม่ได้ทรงฌานโลกี ต่อมาองค์สมเด็ดจปัญจนาสีเห็นว่าพระสุธรรมเถรท่นลงตวนวเกินไปมีมานะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณหวังจะให้ท่านปฏิบัติความดีให้รู้ว่าไอ้การรู้แต่เพียงตำราเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เวลาที่ท่านสุธรรมเถรเข้าไปหาท่าน <c oughs> ท่านกเรียกว่าอาไงครัวเวลานเปล่ามาแล้วเลย เวลาที่ท่านสุธรรมเถรลากลับท่าก็ถามว่าเอาขรัวใบาลานเปล่ากลับเรารือคำว่าใบาลานสมัยนั้นนางสีเขาจานลงที่ใบาลานเป็นอันว่าคนที่รู้ธรรมราดีเนะี่ยสมเด็ดจพระเยสีหมายความว่าเป็นโมคะบุรุษที่ปฏิบัติให้ขจิตเข้าถึงคุณธรรมไม่ได้ คำว่าโมฆะบุรุษหมายความบุรุษที่ไม่มีประโยชน์เหมือนกับคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยฉจ้นั้นพระสุธรรมเถรอยู่ในสมัยนั้นจบพระไตรปิฎกแล้วก็จบพระไตรปิฎกในสมัยพระพุทธเจ้าอยู่ด้วย <c oughs> เป็นการจบที่ไม่มีการเลอะเลือนไม่มีการผิดจบแบบที่ถูกจริงๆแต่กำลังใจไม่ได้ฌานสมาบัติ ไม่ได้เป็นพระเดียเจ้า <c oughs> แพระพุทธเจ้ากล่าวว่าขัวใบลานเปลา่าตอนนี้ถ้าจะมาเวลานี้คนที่ถือแต่ดําลายเฉยๆเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้เนะี่ยจะเป็นขัวใบลานเปลา่าอย่างท่านสุธรรมเถรือไม่อันนี้ก็ขอฝากไว้กวับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทด้วยเรามาเล่าเรื่องของเราต่อไป ว่ามาืตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเขาไม่ตามใจเราเราสงสัยก็คิดว่าอีตาเท่าข้องโง่นี่นอีตาพวกนี้เนี่ยมันเป็นคนดีหรือคนบ้ากันแน่นี่ไม่รู้ใครดีใครบ้านะคนสี่คนบ้าหรือว่าคนคิดบ้ายังไม่แน่ฟังกันต่อไปไม่คิดในใจว่าเราถามอย่างหนึง่งแต่หมอก็ทําอย่างหนึง่ง ไอ้เรื่องการไม่ละความพยายามมันก็เกิดขึ้นวันดีละพวกแกปกปิดฉันฉันก็มีมือมีเท้ามีมาแล้วมาแล้วนาโยมนะมาแล้วตัวนี้มาแล้วเมื่อแกไม่ต้องการให้ฉันรู้ฉันจะต้องพยายามรู้ให้ได้พวกแกะจะเดินขบวนไปที่ไหนกันมันเป็นเรื่องของแก่ เมื่อแกเดินไปได้ฉันก็ไปได้เท้ามันเป็นของฉันก็ร <c oughs> ขยับร่างกายขยับไปขยับมามินมันไม่เหนื่อยมันไม่เมือมมเม่อยมันไม่ล้ามันเบาทุกอย่างรองก้าวเร็วก้าวช้าร้องวิ่งไม่มีความรู้สื่เหน่วยแลเหนื่อยร่างกายมันเบาจริงๆเป็นอันก็ตัดสินใจว่าเอาไปไหนก็ไปกันในเมื่อเขาปิดเราเราจะต้องรู้ให้ได้ นี่เหมือนกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทฟังพระเทศว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงพรหมมีจริงและก็ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าปฏิบัติแบบนี้นะเป็นพระอธิยะได้เป็นฌานสมาบัติได้แต่ว่ามืดมืดแบบสุขวิปสัสสโกถ้าอยากใจเห็นเทวาดาเห็นสวรรค์เห็นนรกต้องเจริญส ก, กรมาฐานในด้านเตวิโช ถ้าอยากจะไปให้ได้จริงๆต้องเจอเจอในกรรมฐานในด้านอภิญญาถ้าอยากจะมีความรู้รอบมีฤทธิ์ด้วยก็ต้องเจริญแบบปฏิเสมิแรปโตปฏิเสิทายาณเมื่อเรารู้ว่าพระพุทธศาสนาให้แนะคำแนะนำมิธีสอนวิธีปฏิบัติไว้ก็จงอย่าแบกแต่หนังสือเฉยๆแบบท่านสุ ธ, ธรรมถร ต้องปฏิบัติตามให้มันเข้าถึงจุดของความเป็นจริงพยายามทำให้ได้แต่ว่าเวลานี้บรรดาท่าุผูบริษัท์ชายและหญิงตั้งแต่เด็กนักเรียนอนุบาลถึงด็อกเตอร์แล้วตั้งแต่เด็กเล็กของชาวบ้านถึงคนแก่ท่ารายการตั้งแต่คนน้อยถึงคนเอกตัวอย่างก็คือคนเอกทนทองสุวรรณทัต นี่ท่านทำกันได้แล้วก็คร่องแคล่วขนาดเป็นครูสอนคนไม่เรื่องของวิญญาสมาบัติถ้าวันดาท่านพุทธบริษัทฟังพระทันเทศมีความสงสัยนะว่าปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนในด้านวิชาสามอาภิญญาและปฏิเสมิทายานเพื่อเห็นผีเห็นวันดาณนะอาตมามีความมั่นใจ ว่าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายที่คำทังกะบวทมาในพุทธศาสนาเวลานี้ที่ท่านมีความรู้ดีเรียนจบมาแล้วหรือเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะอาตมามีความมั่นใจว่าพระทุกท่านเนี่ยท่านทำได้ทุกองค์นั้นด่าว่าบรรดาญาติโยามพุทธบุตรบริษัทมีความมระสงเรื่องนี้ก็ของเป็นของไม่ยาก ไปขอศึกษากับท่านเถกวันดาญาติโยมพุทธบริษัทพระพระที่จะบวดเข้ามาในพุทธศาสนานี่มีคติอยู่อย่างหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเป็นกฎข้อบังคับที่พระเจ้าทรงให้ปฏิบัติก็คือหนึ่งอาทิเสียนสิกขาท่านยาทุกองคท่านก็ปฏิบัติสิงเข่งคัดด้วยกันทุกองค์อาทิจิตสิกขาท่านทรงชานสมาบัติทุกคน อาธิปัญญาศิกขาท่านจะเป็นวิปัสนาญาณตายกิเลสเป็นสมุทเฉทวาหานทุกองค์ในเมื่อทุกองค์ท่านทรงคุณธรรมแบบนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไปถามเถอะไม่ว่าองค์ไหนท่านบอกได้ทุกองคเพราะว่าท่านทำได้ทั้งนี้ก็เว้นไว้แต่ว่าพระทีบบท่บดบรรญาเดียวบรรดายาโยมพุทบริษัท ท่านเพิ่งเข้ามาใหม่อย่าเพิ่งไปโกนใจท่านแต่เวลาที่ก้าวไปขนางนาสักพอสอเดียวก็ไม่แน่นักเพราะว่าบรรดาเด็กๆและฆราวาสคือเด็กตั้งแต่อนุบาลถึงด็อกเตอร์เด็กเล็กคนชาวบ้านถึงคนแก่คราการผู้น้อยถึงผู้ใหญ่ที่เป็นฆราวาสเขาทำได้กันเยอะ <c oughs> ถ้าท่านโบนีบวชเข้ามาเพียงแค่บวชมาหนึ่งนาทีก็ถามท่านได้เลย และก่อนที่ไม่บวชเขาก็บอกได้บางทีเราจะไม่แน่ใจฉะนั้นเรื่องนี้จะไม่ใช่เป็นของหนักใจบรรดา ญ, ญาติโยมพุทธบริษัทอยากจะปฏิบัติเพื่อเห็นที่วันดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรหมไปถามพระทุกองค์อาตมาคิดว่าที่ท่านบวชเข้ามาแล้วท่านคงทำได้ทุกองค์เพราะตั้งใจจริง ถ้าคุยกันต่อไปเมียเขาเดินห่างไปประมาณสิบครึ่งกิโลเมตรอาตมาก็สะกดรอยตามเข้าไปเขาเดินไปตามทางทิศเหนือแต่ไปได้ไม่ไกลนักเขาก็หักเข้าป่าไผ่เขาเดินเข้ามาในป่าไผ่ไอ้ป่าไผ่นี้มันเป็นทางเล็กๆ แต่ความจริงถ้าจะวัดก็ตามระยะทาง <c oughs> ระยะทางที่เดินไปตามปกติจะเห็นว่าไม่มีป่าเลยไม่ยามปกตินะแต่เวลานั้นมันมีป่าได้ยังไงการเดินก็รู้สึกเดินไปเดี่ยวเดียวแต่ว่ามืคิดตอนหลังว่าการเดินสมัยนั่งกายมันเบามันคงจะเดินเร็วกว่าปก ต, ติเวลานั้นถ้าเดินไปทางทิศเหนือถ้าจะไปถึงป่า เราก็ต้องใช้เวลากันไม่น้อยกว่าสามวันมันถึงจะถึงป่าแต่ป่าที่มองเห็นก็ไม่ใช่ป่าที่เคยไปอีกไม่ทราบมันมันป่าอะไรในพั้นแรป่าที่ไปเป็นป่าไผ่ในป่าไผ่มีทางเล็กๆ เ, เดินรถเลี้ยวเคี้ยวคดไปตามทาง <c oughs> แล้วก็มีเขาต่ำๆขวางเป็นระยะระยะ ข้ามเขาลูกนี้แล้วข้ามลูกน้นข้ามลูกน้นแล้วก็ข้ามลูกนีนขกน้ข้ามเขาไปประมาณสิบลูกในที่สุดก็ถึงเขาใหญ่แล้วก็สูงมากมันยาวเพียงใดเนี่ยธรรมาไม่ทราบแล้วมันยาวแล้วก็สูงมากประมาณไม่ได้แต่คนที่เป็นหัวหน้าเขาขึ้นไปก่อน เมื่อเข้าถึงถึงไปถึงย่อยเขาก็กางมาชีออกเพื่อตรวจผล <c oughs> หมายที่ว่าตรวจปริมาณคนของบุคคลที่ไปด้วยเมื่อขึ้นไปเขากางมาชัชีแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวบางทีก็ออกช่อในหนึ่งในกอสองในขอสามนางคอเขาว่าอย่างนั้นนะเป็นว่าครบคนสุดท้าย พอครบคุณสุดท้ายเขาบขอกครบพอดีพอบอกครบพอดีก็อตาตมาก็พอดีโผล่กันเหมือนกันโผล่พอดีเป็นคนที่เกินไปนหนึ่งคนพอพโผล่ขึ้นไปรู้สึกว่าท่านทั้งสี่คนมีความรู้สึกว่าตกใจมากต่างคนต่างทั้งอระถางว่าพอหนูนี่มาทาไมหลาน ถ้าตามมาทำไมานี่ลุงบอกให้ขึ้นบ้านหลานไม่ได้ขึ้นหรือหมายท่านพ่อสวยก็บอกกับท่านว่าเมื่อลุงเพื่อผมถามคนลุงนี่เขรับว่าคุณลุงไปไหนกันแต่ทั้งสี่ลุงเนี่ยแทนที่จะตอบกับผมว่าลุงไปไหนแต่คุณลุงทั้งหมดก็กลับบอกว่าไม่มีชื่อในบัญชีแล้วก็จูงมือผมไปที่บัไนได ผมสงสัยว่า น, นิสัยของผมเนี่ยมาถ้าสงสัยอะไรผมจะต้องทำทุกอย่างให้มันรู้ให้ได้แต่ในเมื่อคุณลุงทำให้ผมสงสัยผมก็ต้องเปลี่ยนความสงสัยเมื่อผมถามว่าลุงไปไหนลุงก็ไม่ยอมบอกผมผมก็ต้องตามลุงมาดูให้มันหายสงสัยแล้วก็ถามท่านลุงว่าพูกนั้นเนี่ยเขาไปไหนกันครับ บรรดาท่านสี่ลุงได้ฟังแล้วก็พากันหัวเราะฟันขาวหมายถาตัวดำหมีตัวดำห ม, ำมีแล้วก็ฟันขาวรู้สึกฟันขาวเป็นพิเศษมันก็มุกไปความดำมันขัดท่านหัวเราะแล้วท่างก็พากันบอกว่าหลานรักลุงนะ่ะไปรับูนนี้เข้ามาเอามาส่งนรกเฮ้ ความจริงคนไปนรกนี่ก็ดีเหมือนกันนะญาติโยมพุทธบริษัท <c oughs> เราจะไปนรกนี่ต้องถือว่าเป็นแขกครับเชิญนะก็มีหน่วยกองเกียรติยศสี่ท่านมารับไหมก็น่าไปในโยมนะใครจะไปก็ตามใจวิธีไปไม่ยากหรอกคือละเมิดสินห้าอากตันโูไม่รู้คุณคนเหลือยเล็ก ขาดพรมิหานสี่มีอคติสี่เท่านี้นะไปนรกสบายสบายโยมไปสบายใครอยากจะไปอาตมาจะสนับสนุนนะไปได้อาตมาเนี่ य. न, म, ยเป็นคนตามใจคนใครอยากจะไปเป็นสัตว์นรกอาตมาก็ช่วย ถ, ถ้าไม่มีแต่เขาไม่ช่วยในแนะนําให้นะอยากจะเป็นเปรตอยากจะไปอาสุกัสสุรกายอยากจะเป็นสติริชันอาตมามีความรู้ ความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนให้อาตมาจาได้ใครอยากจะเกิดเป็นคนเกิดเป็นธรรมดาเกิดเป็นพรหมปณิพานพระพุทธเจ้าสอนไว้ก็ยังจาได้มีทางที่จะแนะนำได้แต่พาไปไม่ได้นะใครอยากจะไปนระกเราก็บอกอ น, นี่แนะนำง่ายหน่อยโยม <c oughs> เป็นวิชาที่เรียนไม่หนักรู้สึกแนะนำง่าย ไี่อยากจะไปอยากสวรรค์จยากไปพรหมไปนิพพานเนี่ยรู้สึกหนักใจนิดๆเพราะว่าหนักใจนิดๆเกรงว่าญาตโยนจะปฏิบัติยากเอานี้ดีกว่าเป็นว่าอยาจะไปสวรรค์ไปพรหมแล้วก็ไปนิพพานก็ไปถามท่านผู้คงรเรียนที่ไ ด, ดท่านเป็นมหาป ร, รียนหาได้ปัญญาเป็นเบื้อครูเป็นพระราชาคณนะเป็นสมเด็จ ท่านพวกนี้ถ้ามีความรู้สูงท่านสอนไปได้แต่ว่าใครอยากจะไปนรกมหาธารรมะก็แล้วกันอรตมาคล่องวิชานี้เอ่คุยเรียนต่อไปเป็นอนุมา ก, ก็ก็บอกว่าท่านลุงไปรับพวกนั้นเข้ามาส่งนรกโอ้ก็ฟังแล้วก็น่าสนใจ <c oughs> อยากจะรู้มันนานไว้นรกเนี่ยมันเป็นยังไงอยากจะเห็นให้คุนแก่ล่่อยฟังผ้าไล่ฟัง ว่าตอนนี้แตนเสบจว่าจะว่าเลวนะเจะว่าเลวก็ไม่เชิงคนที่จะลงนรกเนี่ยก็มีเกียรติมีเทวดามารับนในตามนสีนะเมื่อกี้อันอาตมาพูดนอกนสีมันก้อนจริงก็ไม่เลวจริงๆมีเกียตมากใครใครก็อยากจะไปใครไอยากจะไปก็ได้เชิญตามสบายนในตามนสีแต่ได้ว่าลูกแกะ หมา ย, ยแต่มาเองจะไม่ขอร่วมทางไปด้วยแต่ใครไปจะช่วยแนะนำทางให้ต่อมาก็จะนด้ถามคุณลุงว่าคนที่คุณลุงเอามาส่งนรกเนี่ยเขาทำความผิดอะไรขอรับคุณลุงที่ไปหัวนหน้าก็บอกว่าคนที่คนนี้คือคนผู้นี้นะ ในก่อนที่เขาจะไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเคยถูกลงโทษนรนกมาแล้วครั้นเมื่อหมดโทษเขาก็มีโอกาสไปเกิดไอการไปเกิดเนี่ยก็มีความประสงค์ให้เขาไปทำความดีต่อแต่ว่าคนผู้นี้ก็กลับทนงตนไม่สร้างความดีหนึ่งชอบการฆ่าสัตว์บ้างสองชอบการลักทรัพย์บ้าง สามชอบการประพฤติในกรรมบ้างสี่ชอบโกหกบ้างแล้วก็ห้าชอบเด่มสุรามีอะไรบ้างแล้วก็หกก็มักจะเป็นคนมีความอากติอยูไม่รู้คุณคนบ้างเจ็ดเป็นผู้ใหญ่ไม่ทรงอยู่ในคุณธรรมของความเป็นผู้ใหญ่หรือไม่ทรงเพราะมีหันสี่มีอคติสี่บ้างอย่างนี้เป็นต้นหลาน อาการที่จะต้องมานรลกมันหลายอย่างด้วยกันแต่เดีว่าในฐานะที่เขาเลวมาแล้วแล้วก็พ้นความเลวมาทําความเลวต่อนี่แปลว่าเขาไม่เขาไม่เขีดหลับไม่ได้กัความเลวก็ต้องอามาอบรมสั่งสอนให้เขาเกิดความเข้าใจโอ้โหพิธีอบรมนี่สอนดีมากอ่านเสียต่อไปท่านบอกว่า เพราะว่าพวกนี้ไม่เคารพศีลไม่เคารพศีลทำควายคาความเมตตาปราณีเมื่อทำชั่วอีกเขาก็ต้องนำลงมาลงโทษอีกเป็นการสั่งสอนเรื่อความขิดหลากว่าแล้วท่านก็ชี้ให้ดูทั้งด้านทิศเหนือให้ด้านทิศเหนือนี้ต้องลงไปจากเขาก่อนจะจะจึงจะถึงพื้นแผ่นดินใหญ่ ความจริงนรกไม่ได้อยู่ติดดินตามที่เราคิดเจถและพูดกันมันมีพิภพต่างหากจากของปราชวิพภของมนุษย์เพราะมันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งต่างหากไม่ใช่ว่านรกแล้วก็ลงไปใต้ดินไม่ใช่อย่างนั้นมันคนโลกและก็เป็นโลกที่มีเป็นโลกที่ใหญ่มากใหญ่กว่าโลกมนุษย์ไม่รู้เท่าไหร่ เโลกมนุษย์นี่รู้สึกว่าจะเป็นจุดหนึ่งเล็กๆของของโลกคอนรกันเองเป็นเพียงคุ้มหนึ่งในยมโลกยินรกก็ใหญ่กว่าโลกมนุษย์มากเมื่อท่านเชีย่ยให้ดูก็มองตามลงไปเห็นผืนแผ่นดินใหญ่ใหญ่โตวกว้างขวางยังมีที่ว่างอีกมากโอ้โห นี่ใครๆจะไปปลูกบ้านที่ัหนก็ได้นะแต่หาซื้อที่ยากก็มาอย่างนั้นตามสือว่างั้นนะที่นั่งเขาแจกฟรีคนที่ไม่อยากไปเขาก็ยังมารับให้ลงไปนี่ไหมครับทาความชั่วแล้วไม่อยากไปแต่ว่าคนที่นั่นก็ใจดีที่ก็ไม่ต้องเช่าที่ก็ไม่ต้องซื้อบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อ ศึกสาหาหรือไฟก็ไม่ได้สันภาวก็สับฟันได้โดยไม่ต้องใช้กำลังกายอย่างใดเลยดีมากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอัตโนมัติะ น, นญาติโยมพุทธบริษัทพวกรับฟังใครอยากจะไปก็เชิญนาตามสบายเอาคุยกันต่อไปว่าตน้นแสดงว่าสแสดงว่าที่ที่เนี่ยไอ้ที่บริเวณนั้นมีความกว้างมากและก็ มีความต้องการคนเยอะด้วยสิเป็นการต้องการของคนหรือว่านักจัดสรรที่ไปจับจองจัดสรรบ้างก็คงจะดีเหมือนกันแต่ความจริงเวลานี้ไม่ตั้งจัดเขาจัดไว้ให้แล้วนะเพราะเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษดื่มสุรากับการมิปานาทิบาตบัญชีเขาเต็มจะ้ะ บัญชีเขาเยอะเคยไปถามไม่เห็นต้นนิ้วเขาแล้วเห็นคนกับต้นนิ้วมันพอดีพอดีกันเดินขึ้นคู่กันแม้น่ารักหญิงหนึ่งชายหนึ่งไม่มีใครมาข่วนพร่ำทอดกอดรักทอดรักกันบ น, นต้นนิ้ว ส, บ, สบายไม่มีใครรบกวนแต่เวทีพร่ำพอดของท่านน่ะโอ้โหพราำทอดแบบเลือดไหลสมไม่เอาอะ เชิญตางสบายใครต้องการก็ไปถามนายนิริาบาญบอกว่าไอ้ต้นยิ้วของคุณเนี่ยมันพอดีกับคนที่ลงมาเวลานี้คนมีโทษการเ ม, มสุมิช า, ชาย a กันมากดืนดาษแทรกมาพร้อมๆกันนี่คุณปลูกทันเลยนายนิยาบาลทิ้นก่อ ย, ยิ้มถธอบอกไม่เป็นไรหลานไม่เป็นไร ที่นี่ต้นไม้ทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นของคู่บุญบารมีกับคนที่เขาทำความชั่วในด้านการเมษมชาจาันฉะนั้นเมื่อบคุคคลผนี้ตายลงมาเมื่อไรไอ้ต้นยูมันก็เกิดขึ้นรับรองพอๆกับคนที่มาไม่ต้องห่วงไอ้ดีเหมกันไอ้บ้านแกนี่ไม่ต้องปลก เป็นอนุนวาสกันตามน้ำเสือต่อไปมันมออกน่องเสี้ยวิปนดนะดแต่ของจริงนะแล้วก็มองลงไปในที่เห็นอ่ะลองมองลงไปเห็นเห็นที่ทั้งทั้งที่มีอาคารสามหลังอ๋อบริเวงกว้างขวางใหญ่โตมากแต่ว่าปรากฏว่ามีอาคารสามหลังอยู่จุดหนึ่งนะคือจุดหนึ่งเนี่ยมันมีอาคารสามหลัง แล้วก็มองเลยจุดนั้นไปทางด้านเหนือจะเห็นแแบคารสวยงามหลายหลังแต่ว่าเป็นสภาพของวิมานแต่คายสามหลังที่เห็นเนี่ยมันอยู่ใกล้าตาแลมีบริเวณกว้างเป็นที่ที่อะไรล่ะเป็นที่วิพยาศ า, ารอบๆเป็นลายกว้างขนาดหนามีคนยืนอยู่ทางด้านซ้าย ใจที่มองลงไปยืนอยู่แล้วมองคนในความจริงมันไม่เป็นพันหรอกนะไม่รู้ว่าจะนับยังไงเราคิดว่าจะคนจะนับเป็นหมื่นแล้วเป็นแสนคนแต่นราเสียบว่าเป็นพันคนในความจริงไม่ใช่มีคนตัวโตๆนะคนธรรมดา ย, ยืนอยู่แล้วก็มีตัวโ ต, วตวขนาดตง่ง แต่ว่าหน้าตานี่ย โ, โหกระโยกยี่ ย, ยุ่งยิ่งตัวท่าทางแกโบดบึ้งไม่เหมือนลุงสี่คนลุงสีคงส่คนเนี่ยท่านพูดและท่านก็ยิ้มดู้สึว่าท่านตาใจท่านดีแต่ว่าตาพวกท่านมึงถึงที่หอกมั่งที่เงามั่งที่ก็บองเหล็กใหญ่เป็นไฟบ้างแกยืนคมคุณคมอยู่เป็นหมูหมูเยอะแย ะ, ยะแกยืนเที่ยวหอกหน้าท่านมึงถึง แสดงว่าการควบคุมนั้นการเป็นผู้ควบคุมพวกนั้นมากมายอาคารจํานวนสามหลังหลังกลางแล้วก็ไปเป็นหลังใหญ่สุดมีคนเข้าออกไม่ขาดสายคนเข้ามีพวกตาตัวโตๆดําๆในกระนำเข้าไปทีละกลุ่มแล้วก็มีพวกดีสวนออกมามีพวกโตจนโตดําหน้า พอออกมาแล้วณะจา่าคาร์นก็เดินเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออกเลี้ยวซ้ายเดียวซ้ายที่จะออกมานี่นะออกมาหันหน้าไปทางทิศใต้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออกอเรื่องทิศนี้เพียงเทียบในเมืองมนุษย์เท่านั้นนะสำหรับของเขามีทิศเปล่าก็ไม่ทราบสำหรับเมืองนรกก็ดีเมืองสวรรค์ก็ดีพรมก็ดีนี่เลนิพาน เขาไม่มีพระอาทิตย์เป็นเครื่องวัดทางเทียนทิศทางอะร บ, บันดาท่านพุทธบริษัทแม่กำลังจะสนุกเียวนะมองเวลาในการนี่เดินเร็วจริงๆเอาอีนีดนึ่งมืองคนเข้านอกออกในคนนึกสงสัยว่าพวกนี้เนี่ยเขาอ่าเขาไปไหนกันนะเดีๆๆ๋ยวดียๆจะหาไม่พบสเสแล้วนะ คนผู้นั้นเขาไปเขาไปบ้านหลังไหนไปบ้านหลังนั้นทําไมสงสัยนะสงสัยว่าคนที่มาเนี่ยมายืนอยู่ข้างนอกคอยหน้าซีดหน้าเสียวสําหรับพี่แกทางหลายก็น่าบึ่อขึงจ่อไม่ไม่ยิ้มแล้วก็สงสัยเขาเข้าเขาออกกันทําไมบรรดาญาโยมพุทธบริษัททางหลายใครแย่เข้าเขาแยออกกันทําไมเนี่ยมันเป็นเรื่องของขา่าวซะแล้วนะ แต่เรื่องของเราวันนี้มันก็หมดเวลาในบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเอาไว้คุยกันวันหน้าดีกว่านะวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี